ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับข้าพเจ้าพระมหาไปบู์อาภิปุนน่นหนองในทุวันพุทธเป็นช่วงก่อนตายร่มพอดิบทเดี๋ยวนี้เรามาทำจิตให้สงบกันซะก่อนตั้บุฟัง ก่อนที่จะไปฟังแง่มุมเรื่องราวที่มีความละเอียดรัดกลุ่มรบอบคอบบทเปลี่ยญชนะที่มีความงดงามของพระพุทธเจ้าเดีนี้เรามาจเจริญโภคภิษณีกันซะก่อนโภคภิหารหมายถึงเครื่องอยู่ของคนที่เป็นใหญ่คนที่มีอำนาจคนที่มีหน้าที่คนที่มีความรับผิดชอบสูง จะต้องมีเครื่องอยู่สประการนี้ เ, เรียกว่าพรห ม, มิหารในข้อแรกคือเมตตาข้อที่2คือกรุณาข้อที่สามคือมุทิตาและข้อที่4ี่คืออุเบกขาวิธีการเจริญพรห ม, มิหารสีทัุ้ฟังก็เริ่มจากการที่เราให้มีสติตั้งเอาไว้ในหมวดธรรมต่างๆเหล่านี้ แล้วส่งกระแสแห่งปรมมิหารนี้ไปในทุกทิศทุกทางตะบูฟังเคยเห็นรูปปั้นของพรหมที่มีสี่หน้าไหมเออมีพรหมสี่หน้าเขาเรียกนี่แหละเพราะว่ามาจากคาสอนตรงนี้ที่ว่าแผ่กระแสของทั้งสี่อย่างนี้ไปทั้งสี่ทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้าย เอาเบื้องบนเบื้องล่างด้วยทุกทางด้วยทั้งสี่ทิศใหญ่สี่ทิศเฉียงเบื้องบนเบื้องล่างด้วยรวมกันทั้งหมดก็ได้สิบทิศด้วยกันในเบื้องต้นดูฟังเรามาตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาคือความที่รู้สึกปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขะสมความสุขอย่างใดอย่างหนึง่ง เทนบริไวเหมือนกับมารดารักบุตรหรือลูกที่เกิดคนแรกจากกันของตนตั้งจิตด้วยเมตตาแบบนี้แผ่ไปอย่างที่เบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ เปรียบไวเหมือนกับคนเป่าสังที่มีกําลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสีทิ่ไม่ยากันใเฉยแตนก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแฝ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนนั้นเหมือนกันจากนั้นเรามาตั้งจิตไว้ด้วยกับกรุณา กรุณาคือความปรารถนาให้สปรปสัตว์เหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ที่ประสบอยู่หรือที่จะมีมาอย่างใดอย่างหนึ่งลักษณะของกรุณานั้นเปรียบไว้กับเวลาที่คนจะฆ่าสัตว์ประหัตประหารชีวิตของเขาหรือลงมือทำร้ายทุกปีแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าไม่ทำดีกว่าลักษณะจิตที่มี ึกหนึ่งึกหนึ่งขึ้นมาว่าไม่ทำดีกว่าให้เขาพ้นจากความทุกเนี่ยนี่ลักษณะของกรุณาให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับกรุณาแป่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในติดเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวง ที่มีอยู่แล้วให้ตั้งจิตวัยนั้นเป็นไปด้วยกับมุทิตามุทิตาจะกาจัดความอิจาริษยาเป็นลักษณะจิตที่ยินดีในความสุขหรือยินดีในการพ้นจากทุกข์ของบุคคลอื่นที่ได้ประสบอยู่หรือที่ได้พ้นแล้วนั้นด้วยจิตยินดีนั่นคือมุทิตา เป็นเปรียบเหมือนเวลาที่ญาติพี่น้องเดินทางไกลจากกันไปนานกลับมาแล้วนี่โอ้ดีใจยินดีพอใจได้พบได้เห็นกันให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับมูที่ตาแบบนี้แพงเปียงสรรพสัตว์ทั้งหลายในติดเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนหรือเบื้องล่าง รัวทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เราให้ตั้งจิตไว้ท่านเป็นไปด้วยกับอุเบกขาอุเบกขาคือความบางเฉยท่านผู้ฟังวางเฉยต่อภาษาที่น่าพอใจวางเฉยต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจที่มากระตบที่เกิดขึ้น สาษาที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจผ่านมาต่างๆหูจมูกล่านกายหรือใจให้เรานิ่งเฉยวางเฉยอยู่ได้จะนิ่งเฉยวางเฉยอยู่ได้แต่ได้เคยกล่าวถึงความที่เราเข้าไปเพ่งเฉพาะจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีอุเบกหาย่อมเกิดขึ้นแฝงไ ป, ปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในฤทธิ์เบื้องหน้า เบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉชนใด เท่านั้นก็ด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับเมตตาแพรไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญอาละ่ะตับฟังหลังจากที่เราได้ทำจิต ให้มีความสงบกันมาสักกุรูหนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังธรรมะกันในช่วงของใต้ร่มอทีบทตุกวันพุทธในรายการธรรมารบพุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาพัยบู์อาพี่ปุ่นนกที่เราจะต้องมาทำจิตให้มีความสงบ ก่อนที่จะมาฟังธรรมะให้เข้าใจรู้เรื่องนั้นก็เพราะว่าป้องกันความที่จะเป็นงูพิษของธรรมะนั่นเองทัมมฟังการศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นเหมือนกับการไปจับงูพิษพรประปฤติชาวเดินเปรียบเทียบเไว้ก็เพราะว่าเราไม่ระมัดระวังไม่รัด ก, กุมรอบค้อไปจับงู ถูงูฉกตายได้นะจะได้ประโยชน์จากพิษงูได้ก็ต้องรู้จักระมัดระวังรัดกลุ่มรับข้อเวลาไปจับมันนั้นต้องมีเครื่องมือต้องมีจังหวะจากโคนต้องรู้วิธีการเช่นเดียวกันทางฝั่งการศึกษาธรรมะถ้าบอกว่าศึกษาแล้วทําความเข้าใจแล้วเกิดกิเลสเพิ่มเออเป็นไปได้นะ เพราะว่ากิเลสโมหะนี่มันร้ายขาดร้ายแรงบานทีเราไม่ทันมันเกิดยกตนขึ้นมาเกิดทะเลาะ ก, กับคนอื่นขึ้นมาเห็นว่าเขาไม่ดียกตนข่มท่านเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นมันก็เป็นการไม่ดีเพราะว่าการศึกษานั้นมันไม่รับขอเกิดโทษขึ้นโดยที่ตัวเองก็ยึดติดยึดถือใน สิ่งที่เป็นตรามมานั้นแต่ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่ให้ยึดถื อ, อไว้ไงถึงผู้ฟังติดดียึดดีความยึดความติดนั้นก็ไม่ดีไม่เคยประโยชน์จึงทาไม่วิธีแก้ก็คือทำจิตให้มีความสงบก่อนแล้วก็มาศึกษาวันนี้ก็อยากจะนำเสนอประเด็นที่ ถ้าบอว่าเราไม่รัดลุ่มไม่รอบคอบไม่หละลรวมแล้วมันจะสับสนได้มันจะทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนจากความหมายที่มันควรจะเป็นได้เข้าใจผิดไปแล้วก็คิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้เฮ้เฉยเมยไม่ต้องมีความรู้สึกไม่ต้องสนใจกับอะไรหนับซ้ำยังผ่านไปถึงความขี้เกียจขี้คร้านทำมากนี่ก็กลายเป็น โลบมากทำน้อยก็กลายเป็นขี้เกียจให้แล้วจุดไหนไมันถึงจะเป็นความสมดุลวันนี้ก็จึงจะนำเสนอคำหลายๆคำที่อาจจะใช้กันคลาดเคลื่อนไปมีความเข้าใจผิดเพี้ยนไปตัวอย่างนี้ครับทาเจ้าเคยเห็นจากบุคคลที่เขาไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธนะนะแต่ว่าเขาก็มาวิเคราะห์คำสอนของพระพุทธเา เขาบอกไว้อยู่ตรงหนึ่งบอกว่าอริยสัจสีเนี่ยฟังดูดีนะเออเหมือนมีเหตุผลแต่เวลาจะลงมือทําจริงๆเนี่ยมันจะตั้งอยู่เองไม่ได้หรอกเพราะอะไรเ อ, อเ้าข้อพระพุทธเจ้าบอกว่าเหตุของความทุกข์คือตัณหาคือความอยากวิธีดับทุกแก้ทุกก็พูดไว้ดีหนึงคือต้องมีมรรคแบบแตถ้าคุณจะทํามรรคแบบได้ไงอะ่ะถ้าคุณไม่มีความอยากที่จะทํามรรคแบบ แต่พอคุณมีความอยากที่จะทำมรรคแปดไอ้ทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นด้วยทำไปเพื่อที่จะลดความทุกข์แต่ความทุกข์ก็เพิ่มกลับขึ้นมาเพราะมีความอยากในการทำมรรคปเขาก็เลยสรุปว่าอริยสัจีนี่มันจะตั้งอยู่เองไม่ได้นะมันจะล้มความลงเลยเพราะจะลงมือทำมรรคแทุกข์ก็เพิ่มจะให้ทุกข์ลดก็ต้องลงมือทามรรค แต่ลงมือทำมากแปทุกกระเพิ่มอาจะให้ทุกลดต้องลงมือทำมากแปแต่พอะจะลงมือทำมากแปดด้วยความอยากทุกกระเพิ่อนีนะอันนี้คือเข้าใจสับสนละประจสรุปว่ามันตั้งอยู่เองไม่ได้สับสนระหว่างอะไรทุกฝั่งสับสนระหว่างตันหากับฉันทะคนเรามันจะสำเร็จอะไรขึ้นมาได้สักอย่างใดองหนึ่ง มันต้องมีอิทธิบาทสอันแรกในอิทธิบาทสีเลยคือฉันทะต่อมากับวิริยะจิตตะวิมังสาเอาฉันทะตัวเดียวนี้แหละที่ว่าถ้าเราสับสนกับปัญหาใช่ไหมล่ะเราก็เลยจะเข้าใจไปงั้นไงว่าโอ้ตัณหามันก็คือฉันทะถ้าเง้นมีตัณหาทุกข์ก็เพิ่มแต่ถ้าไม่มีฉันทะก็จะทำมรรคแปดไม่ได้นี่ไงสับสนแล้วฉันทะกับตัณหาเนี่เป็น ลักษณะที่แตกต่างกันโดยตันหาหนั้นพระพุทธเจ้าจะใช้กับสิ่งที่เป็นอกุศลแธรรมอย่างเดียวฉันทะนั้นคุณตั้งไว้กับสิ่งที่เป็นกุศลก็ได้ตั้งไว้กับสิ่งที่เป็นอกุศลก็ได้อสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงฮะมันก็มีความอยากมีความพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกันนี่เพราะนี่แน่นอน เพราะว่ามันเกิดขึ้นบนความทุกข์เหมือนกันปัญหามีก็อยู่ในทุกใช่ไหมล่ะบักแปะจะมีจะเกิดฉันท้าได้ก็ต้องอยู่ในทุกเหมือนกันน่ะมันก็จึงดูคล้ายๆกันอย่างงี้ตัววังซึงดูเหมือนๆกันเหมือนถนนเส้นเดียวกันน่ะแต่ว่าคุณหันทางไหนท่นั่นเองถนนเส้นนี้เซ็นเตอถนนบริโภคที่อย่างเงี้นะคุณหันทางเหนือคุณไปเชียงใหม่น่ะ ผลโยเหมือนก็นเนี่ยคุณหันทางใต้เป็นใบกรุงเทพนะแต่อยู่ที่สระ บ, บุรีเนี่ยเอาถนนสิ้นเดียวกันแต่ว่าคนละทิศเหมือนก็ไปคนละทางแต่ดูดก็ก็เหมือนกันเนี่ยก็ถนนส้นเดียวกันใช่เลยทั้งฝั่งเราอยู่บนถนนของความทุกข์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราอคิ่ว่าเราไปทางไหนถ้าเราไปทางฉันทักคุณไปสู่นิพพานได้ แต่คุณไปทางตัญหาถูกมากขึ้นเพิ่มขึ้นมีปัญหาได้ทิศทางที่ต้องไปให้ถูกหนึ่งก็คือว่ามันมีมากะอะไรเจ้าตันหากับวิชานี่มาด้วยกันถ้ามีความอยากชนิดที่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เข้าใจก็หมายความว่ามันจะให้เพลินไปให้มีความกำนัดยินดีไปให้สร้างตัวตนขึ้นมา ความอยากประเภทนี้นั้นน่ะนั่นคือตัณหาแยกได้เป็นกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาแต่ถ้าความอยากประเภทที่ว่าเกิดจากความรู้ความอยากประเภทที่ทำให้กิเลสมันลดความอยากชนิดที่ทำความดีสร้างกุศลบำเพ็ญบุญความอยากประเภทที่ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิ อนั้นคือความรู้นะเป็นวิชานะคุณอยากทําสัมมาทิฏฐิเช่นใหทานคุณอยากที่จะประกอบความเพียรอยากที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิาความอยากประเภทนี้นี่เป็นชันท่านะเพราะมันประกอบด้วยความรู้ไงประเทืองปัญญาให้เกิดความดีงามเป็นกุศลธรรมมันก็จะลดความเผลอเพลินไปตามตาหูจมูกลิ้นกาย และใจมันก็จะลดความเป็นตัวตนที่จะทําให้เราดูถูกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลดกามตนาลดภวะตนาลดวิภวะตนาความอยากประเภทนี้คือฉันทะเพราะกุศลธรรมมันเพิ่มฉันทะความพอใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นกุศลนั่นก็มีความแตกต่างกันกับตันหา พระบุรุษชาเราที่มาฟังตั้งเป็นผู้ที่มีความรัด ก, กุมรอบคอบในเรื่องการใช้คําศัพท์ในเรื่องการที่จะแยกแยะแจกแจงความหมายสิ่งต่างๆถ้าเราแบบว่าเหมาเมารวมกันเน่ยฉันทะก็คืออยากนั่นแหละตัณหาคืออยากนั่นแหละเราก็เลยจะสับสนเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ละ ว, ว่าถ้าอยากทําความดีอันนี้คือฉันทะที่จะให้เกิดความรู้เกิดปัญญาเกิดกุศลธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิ ถ้าอยากไปตามตาหูจมูกลิ้นกายเพลิอเพลิอนอยากที่จะให้ตัวเองเด่นดังความอยากนั้นเป็นลักษณะของตัณหาเป็นภวะตัณหาวิภาวะตัณหากรรมตัณหาว่าไปจุดมุ่งเน้นตรงนี้เราจึงจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวตัณหาเนี่มันจะเน้นที่ความเพลินมันจะเน้นที่ความเป็นตัวตนในขณะที่ฉันทะนั้น จะมาเน้นอยู่ที่กระบวนการอยู่ที่วิธีการสมาธิกระบวนการวิธีการก็ไม่ใช่อื่นอะไรอะทั่วไปนะต้องเจาะจงลงมาเรื่องศีลสมาธิปัญญานึ่งคือเหตุที่จะให้เกิดนิพพานแล้วถ้าดูในระยะสั้นๆบางทีเราต้องการผลคือสมาธิเราโฟกัสที่ผลโดยสร้างเหตุคือศีลอย่างนี้ก็เป็นฉันทาได้ เราต้องการโฟกัสที่ผลคือปัญญาโดยการสร้างเหตุคือสมาธิอย่างนี้ก็เป็นฉันดาได้คือมีความเป็นเหตุเป็นผลตามกระบวนการของมรรษาศีล ส, สมาธิปัญญาทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าตัญหามันจะไม่มีเหตุไม่มีผลของมานาะตัญหามันก็มีเหตุมีผลคือกิเลสเนี่ยดูฝั่งมันมีเหตุมีผลของกิเลสอยู่แล้วเหตุผลนี้ก็จะประกอบด้วยความเพลิน ประกอบด้วยความเป็นตัวตนที่มาถ้าคุณต้องการมั่งคั่งร่ำรวยเพื่อที่จะซื้อสิ่งของนั่นนี่เพลินใช่ไหมไปตามสิ่งของมีรถยนต์มีบ้านเป็นต้นเพลินไปตามตาตามหูแม้จะสร้างเหตุได้เอาก็จงลงทุนละทํางานละอให้เกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นก็เป็นไปตามอำนาจของตนานาก็มีความเพีย่ยนเหมนกัน ไม่ได้ลกขโมยใครแต่ว่าเป็นตันหาไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองลึกลงไปถึงว่าตามกระบวนการของอะไรเหตุผลมีทุกอย่างทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอากุศลดีมีทุกอย่างทำถูกศีลด้วยแต่ว่าปัญญาบางทีมันลดได้ทำถูกศีก็คืออย่างคนที่มีตันหามากต้องการ ชื่อเสียงต่างๆนั้นนี่ก็ไม่ได้ผิดศีลแต่ตัณหาก็เพิ่มจะว่าเป็นฉันทะได้ไหมก็มีตัณหาผลอยู่แน่และเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยบางทีมันก็สลับสลับกันไปหมุนไปหมุนมาได้นะคนทําตามศีลได้ก็ต้องมีฉันทะแต่พอทําตามศีลแล้วก็อยากมีความเป็นตัวตนนั่นก็เป็นตัณหามีตัณหาเชื่อผลก็มาเพราะฉะนั้นในเส้นทางที่เรายัางมีความทุกข์อยู่ในมือว่าง มันกลับไปกลับมาได้ผสมกันไปผสมกันมาได้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับร่างกายของเราเชื้อโรคเนะ่มันก็อยู่ในกายใช่ปะละ่ะเวลาคุณทายากินยามันก็เข้าไปอยู่ในกายเหมือนกันนะ่ะเพราะฉะนั้นในกายของเรานะมีทั้งเชื้อโรคมีทั้งยารักษาโรคเหมือนกันว่าตัวทุกข์ทุกข์เกิดขันาใช่ปะมีทั้งตัณหา ที่จะเข้ามาเกาะ อ, อยู่กับตัวทุกมีทั้งมรรคแปซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จะต่อเนื่องมาจากฉันทะฉันทะก็อยู่เนี้ยมรรคแปก็อยู่นี้ตันหาก็อยู่นี่ก่เลยก็เกิดขึ้นได้ที่นี่ไหนในกายเราในขันห้าความรู้สึกคิดนึกอยู่ด้วยกันหมดอะมันก็จึงปนปนกันปน ป, น, ป, น, ปนกันเนี่ย เราจึงต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงออกกันทังฝังแยกแยะอ อ, อ, ออกเพื่อให้กำจัดสิ่งที่ควรกำจัดในที่นี้คือตันหาอาวิชามาด้วยกันทำด้วยความไม่ออรู้ทำด้วยความเพลินไปตามตาตามหูเป็นตัวตนแยกออกกันกับความอยากชนิดที่ไปตามความรู้ของพระพุทธชาติไปตามกระบวนการของมรรคแนั่นคือฉันทะที่ให้เกิดใน ศีล ส, สมาธิปัญญาได้ในนี้นี่คือประเด็นที่หนึ่งนะคือวันนี้เราก็จะยกศัพท์หลายๆคำขึ้นมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างในคำแรกว่าไปแล้วคือชันทะและตนากู่แรกคู่ที่สองคล้ายๆกันคือความเพียรกับความโลภความเพียรคือการทําจริงแน่วแน่จริง ส่วนความโลภนี่คือความที่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถามว่าเอสองคำนี้มันก็คล้ายๆ ก, กันกับฉันทาและตัณหานะเออถ้าตัณหาคือความอยากชนิดที่ประกอบด้วยความเพลินไม่รู้กำหนัดยินดีเป็นตัวตนสิ่งที่มาพร้อมกับมันคือความโลภนั่นเอง ความโลภเป็นลนักษณะของราคะเป็นลนักษณะของกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองในขณะที่ถ้าประกอบด้วยฉันทะคือการลงมือทํำชนิดที่เกิดจากความรู้รู้นั่นคือวิชาตามกระบวนการของมรรคแปดหรือไตรสิกขาเอาลงมือทำแบบนี้กุศลและทำเพิ่มอ่ะกุศลแลรทำลดลงอันนั้นคือความเปลี่ยนไง เป็นลักษณะที่ให้เกิดปัญญาไงไม่ได้เป็นความเศร้าหมองของจิตแต่จะกําจัดความเศร้าหมองออกไปลองที่ว่าอากุศลธรรมลดเพราะอะไรนะก็ทําประกอบด้วยความรู้ไงรู้จากพระพุทธเจ้าเนี่ยเราตรัสรู้แล้วเราเอการตรัสรู้ความรู้นั้นมาทําการลงมือทํานั้นก็ประกอบด้วยความรู้คือวิชาการลงมือทํานั้นกุศลธรรมเพิ่มอกุศลด ลงมือทำจริงแน่นจริงนั้นคือความเพียรไงความเพียรจึงต่างกับความโลภคนละอย่างกันเลยลงมือทำเหมือนกันในการงานเฉพาะหน้าเหมือนกันแต่ไปคนละทางกันเลยทั้งหนึ่งให้เกิดความเศร้าหมองมากให้มีความเพลินมากให้มีความยึดถือเป็นตัวตนขึ้นมามากนั่นคือความโลภทีตนาส่วนอีกทั้หทงหนึ่ง ลงมือทำเหมือนกันแต่ว่าความเศร้าหมองในจิตใจลดลงเราะว่าประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาลงมือทำตามนี้แขยนขันแข็งในหน้าที่การงานแต่ว่าไปให้เกิดสุขในภายหลังเป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในเวลาต่อไปประโยชน์ในเวลาต่อไปต่อไปอีกเนี่ยในขณะที่เจ้าตัณหาความโลภความอยากความไม่รู้ ลงมือทาปัจจุบันดีเหมือนกันแต่ว่าจะให้เกิดผลเป็นความทุกข์ต่อไปและต่อต่อไปตรงปัจจุบันดูเหมือนเหมือนกันแต่ผลภายภาคหน้าอา้าวอันหนึง่งเกิดลงต่ำไปทางต่ำไปแล้วมีมลพิษมากถนนเช่นเดียวกันแต่ไปทางใต้อีกอันหนึง่งอา้าวเป็นภูเขาเป็นทางเหนืออากาศดีให้ผลดี คือใบทางเหนือไปคนละทางแต่ถนนเส้นเดียวกันเราจึงต้องระมัดระวังว่าที่ทางไหนเร า, เราหันหน้าหันศีรษะของเราไปเล่งดูให้ดีต้องรู้จักที่รักกลุ่มรับขอบนั่นคือคู่ที่สองทู่ฟังเรื่องของความเพียรกับความโลภถัดมาอีกท่าูฟังคู่ที่สา ม, ค, สามคือความเมตตา กับความรักรักแบบรักชายหนุ่มหญิงสาวหรือสมัยนี้ก็แบบชีวิคู่นะคนคู่ครองอาจจะชายกับชายหญิงกับหญิงหญิงแบบหนึ่งกับชายอีกแบบหนึ่งได้หมดอะในลักษณะที่เป็นชู้สาวความรักในเชิงชู้สาวกับความรักแบบเมตตาเออต่างกันยังไงก็ไล่กันมาตามลักษณะเดียวกันเลยท่าฟัง ถ้าเป็นความรักแบบเชิงชูสาวจะประกอบด้วยความกำนัดยินดีพอใจสิ่งที่ประกอบด้วยความเพลินมันกกว่าตาหูจมูกลิ้นและกายนี่แหละให้เพลินไปก็เป็นความสุขทางเนื้อหนังเป็นความสุขของคนคู่เป็นความสุขชนิดที่ท่านเรียกว่ามีน้ำหลั่งออกเป็นที่สุดความรักแบบนี้ เพลนแบบนี้มันก็หวังสิ่งตอบแทนที่ได้ต่างตาทางหูนั่นก็คือถ้าเราบอกรักเขาแล้วเขาก็ต้องบอกรักเราต่อฉันรักเธอหนึ่พันเธอต้องรักฉันสามพันนี่ลักษณะที่เป็นความรักเจงชู้สาวในขณะที่ความรักแบบเมตานี่นะคือไม่มีเงื่อนไขไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเป็นความรักที่ไม่มีประมาณ เหมือนใคอย่างเช่นว่าถ้าฉันทําสิ่งนี้เธอเธอก็ต้องทําสิ่งนี้ฉันหรือฉันรักเธอแล้วเธอก็ต้องรักฉันตอบเงื่อนไขแบบนี้ไม่มีเราก็ไม่ใช่ว่ามันจะหมดด้วยนะคือถ้ารักแบบชายหนุ่มหญิงสาวรักเชิงชู้สาวนี่หนึ่งครั้งสองครั้งสมครั้งมันมีอัน้นมีลิมิตฉันทําให้เธอเท่านี้พอนะถ้าเกินจุดนี้เนี่ยไม่ละฉันเลิกกับเธอเลย เออมันมีขีดจำกัดของมันนั่นคือมีลิมิตมีขีดจำกัดมีข้อจำกัดแต่ถ้าความรักแบบเมตตาเนี่ยนะมันไม่มีขีดจำกัดให้ได้ไม่กลัวหมดไอ้จุดที่ว่าจะเลิกกัน break down ไม่พอใจกันเนี่ยมันไม่มีคือมันมันมันไม่มีเลยมันหาไม่เจอคือความรักแบบเมตตาแล้วในในชุวยคนคู่เนะ ระหว่างสามีภรรยาเออตอนรแรกๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องของตาเรื่องของหูเป็นความรักเรืงชู้สาวอะไรก็มีใช่ไหมแต่คนมันจะมาอยู่กัน10ปี20สปี30ปีบางคน40สิปีอยู่ด้วยกันเนี่ยบางคนห้ปีอยู่ด้วยกันโอ้ยมันเกินจุดที่จะเป็นชีวิตคู่แบบชายหนุ่มหญิงสาวคิดกูอโนเน่อะไรนี้มันเกินจุดนั้นไปแล้ว เราถ้าอยู่ด้วยกันแบบนั้นเนี่ยมันมีเรื่องกระทบกระทั่งนั่นนี่มันได้เลิกกันไปแล้วมันมีข้อจํากัดแล้วแสดงว่าต้องมีส่วนผสมส่วนประกอบของความเมตตาคือชนิดที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่ได้จะด้วยความกําหนิดความเพลินความเป็นตัวตนละคือมันก็ปนปนกันมาไงวางเห็นไหมบางทีมันปนปนกันมาอยู่ที่ว่าสัดส่วนด้วยว่าไหนมากไหนน้อย ชีวิตคู่มันก็จะทุกข์จะสุขไม่เท่ากันและมันก็ปรับได้ด้วยนะสัดส่วนเนี้บางทีอยู่ๆกันไปเออความรักที่เป็นเชิงชู้สาวก็ลดลงความรักที่เป็นเชิงเมตตาก็เพิ่มขึ้นอยู่ๆไปเออบางทีความรักเชิงเมตตามันลดลงความรักเชิงชู้สาวมันเพิ่มขึ้นสัณหาฉันทะความเปลี่ยนความโลภนี้ก็เหมือนกัน อย่าที่บอกว่ามันเป็นถนนเส้นเดียวกันอยู่ดีว่าคุณจะหันทางไหนแล้วเดินไปตามทางนั้นยาวนานเท่าไหร่ความเมตตาของความรักก็ต้องระวังตัวอย่างที่ท่านจะยกขึ้นอธิบายในเรื่องของความรักแบบเมตตาก็คือเหมือนแม่รักลูกแม่รักลูกเนี่ยแบบไม่มีเงื่อนไขหรือว่าที่ข้าพเจ้าไม่ได้ยกมันแต่ตอนแรกเพราะว่าสมัยนี้มันก็ไม่เหมือนเดิม น, นะต้องระวังนะ ว่าแม่ที่ทิ้งลูกก็มีด้วยเงื่อนไขาบางประการแล้วมันก็จะไม่เสมอไปอ น, นี่ทำให้เราเห็นข้อสังเกตไงเติมฟังว่าเออเจ้ากระแสของตัณหาที่มันมาพร้มกันกับอวิชชาให้เกิดความเปลื่นความโลกมันไหลพัดไปจิตใจคนวัถูกเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของตัณหานี้ได้ไง ิึงตั้งเป็นข้อสังเกตว่ามันอยู่บนรทอนนเช่นเดียวกันนี่แหละ ท, ที่ว่าเราจะหันไปทางไหนแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานี่คือคู่ที่3เรื่องของความรักแบบเมตตากับความรักในเชิงชูสาวแต่ามาในคู่ที่สี่ทุกบัวฝงคือเรื่องการปล่อยวางคือเรื่องความขี้เกียจ ความขี้เกียจกับการปล่อยวางบางคนก็เอาการปล่อยวางมาอ้างในการที่จะขี้เกียจที่จะบอกว่าเออไม่ทําอะไรฉันปล่อยวางหมดแล้วจะไม่สนแล้วฉันทิ้งละแต่เมืตาคนนี้เขาขี้เกียจเนี่ยนะขี้เกียจเนี่มันเหมือนกัคือตรงข้ามกับความโลภเลยละ่ะความโลภความอยากได้มันต้องได้ต้องได้แต่ขี้เกียจเนี่ยว่าไม่เอาไม่เอา คือไม่สนใจแล้วก็เอาการปล่อยวางมาอ้างว่าอันนี้ฉันปล่อยวางหมดแล้วแต่จริงๆเป็นโมหะชนิดที่เป็นขี้เกียจเอาสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรอันนี้แน่นอนว่าขี้เกียจนี่ก็ประกอบด้วยอวิชชาละเหมือนปัญหาเหมือนโลภะเหมือนรักแบบชู้สาวอาวิชชาันจึงแบบว่าเหมือนสุดโตงสอง้างแต่นคือพวกเดียวกันพวกหนึ่งก็อ้ทำเต็มที่เลย ต้องได้ต้องได้ต้องได้นะี่คือโลกอีกด้านหนึ่งแต่ก็พวกเดียวกันนั่นแหละคือขี้เกียจไม่ทรอะาร้าไม่สนใจอะไรเลยปัญหาอาวิชชาเหมือนคลื่น ค, คลาไปได้กว้างขวางแบบนี้ในขณะที่คนที่ปล่อยวางจริงนะเขาจะมีความรักความเมตตาอยู่ในจิตใจสองอย่างนี้ต่างกันตรงที่ว่าขี้เกียจนั้นโมหะขี้เกียจนั้นอวิชชาใช่ปะ แต่ปล่อยวางต้องประกอบด้วยปัญญาอาวิชชาคือความไม่รู้ปัญญาคือวิชาอาวิชชาคือความไม่รู้ทำให้เกิดปัญหาทำให้เกิดความเป็นตัวตนทำให้จิตใจเศร้าหมองเพิ่มขึ้นขี้เกียจเนี่ยในขณะที่ปล่อยวางมันประกอบด้วยปัญญาจากการที่เห็นตามความเป็นจริงเห็นเกิดมาคนละอย่างเลยขี้เกียจเหเกิดจาก ความเบื่อเซ็งเหตุเกิดจากการไม่สนใจความเพลินไปในตัวตนโมหะเหตุเกิดของการปล่อยวางมาจากการเห็นตามความเป็นจริงจึงมีความเบื่อนายมีความคลายกำหนัดและมีความปล่อยวางได้จะปล่อยวางได้ต้องมีความคลายกำหนัดในขณะที่ความขี้เกียจน่มันคือความกาหนัดยินดีในอะไร ในการที่แบบจะไม่ทำอะไรอยู่ยเฉยนั่นคือขี้เกียจแล้วความที่เพลินไปในการอยู่เฉยๆเพลินไปในคนที่เล่น Facebook คนที่เล่น Tik Tok มากเนี่ยดูแล้วก็รูดขึ้นรูดลงรูดขึ้นรูดลงแล้วก็ดูนั่นนี่น่นไปแล้วก็ไม่ทำอะไร น, นั่นคือขี้เกียจเนี่ยมันเพลินไปในสิ่งจบอนาหน้านั่นเพลินไปในความขี้เกียจนั้นในขณะที่การปล่อยวางคือการที่ คลายกำหนัดไม่เพลิละจะคลายกำหนัดได้ต้องมีความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็ไม่เหมือนเบื่อเซ็งนะอันนี้เราแทกคู่นี้เข้ามาเบื่อเซ็งคือลักษณะที่เกิดจากอกุศลเป็นไปด้วยความเพลินเบื่อสิ่งนี้เราก็ไปยึดสิ่งอื่นเป็นลักษณะของนิวรนความเศ่้าหมอ ง, ง ใ, ในจิตใจในขณะที่ความเบื่อหน่ายศัพท์คำนี้มาจากคว่านิพิธานะคือความเบื่อหน่าย พิพิธาความหน่ายนั้นเกิดจากการเห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงการเห็นตามความเป็นจริงโดยความที่มันเป็นทุกข์ไม่มีสาระจึงหน่ายเห็นอยู่บ่อยๆด้วยปัญญาตามความเป็นจริงจึงมีความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเนี่ยไม่เหมือนกันตรงนี้เป็นส่วนของกุศลให้เกิดปัญญาเป็นความสว่างแห่งจิตไม่ได้ให้เกิดความกัมหนัก จะมีความเบื่อหน่ายและต้อเห็นตามความเป็นจริงจะมีความเป็นจริงเห็นได้ต้องจิตเป็นอารมณ์เดียวไม่ก็คปเกลือกล้วเพราะนั้นตามสายเส้นทางมาเลยเนี่ยจิตเป็นอารมณ์เดียวกับสามาธิเห็นตามความเป็นจิตกับปัญญามีปัญญากันแล้วจะมีความหน่ายมีความหน่ายแล้วคืมีความคลายกําหนัดมีความคลายกําหนัดแล้วก็ต้องปล่อยวางถ้าจะ A AR, A AR, เอออาเออาเนี่ย่ะปล่อยวางแล้วปล่อยวางละปล่อยวางเร็วเกินไปนี่ มันเป็นโมหะหรือเปล่าเรือว่าโมหะมันทำงานเร็วนะเราก็ทำงานอยู่ตลอดเวลานะแต่ในขณะที่ว่าเราจะปล่อยวางจริงๆเนี่ยมันต้องมีความใคร่กำหนัดนะจะมีความใคร่กำหนัดได้ต้องเบื่อหน่ายก่อนนะจะมีความเบื่อหน่ายได้ต้องเห็นตามความเป็นจริงนะจะเห็นตามความเป็นจริงได้ก็ต้องจิตเป็นอรมมันเดียวนาะที่จะเป็นรมมันเดียวได้ก็ต้องมีสตินะ จะมีสติได้ก็ต้องมีความเพียร น, นะจะมีความเพียรได้ยังไงอะมันก็ต้องมีศีลไงถ้าไม่มีศีลมันก็จะมีความร้อนใจมันจะทำความเพียรไม่ได้สติไม่ตั้งสมาธิไม่เกิดอ้ะปล่อยว่างปล่อยว่างอ่าผิดเลยพลาดเลยแต่ถ้าเรามีศีลได้ไม่มีความร้อนใจลงมือทำความเพียรแล้วก็ตั้งมั่นด้วยสติได้ มีสติลวก็จิเป็นนรมอันเดียวจิตป็นนรมอันเดียวแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็มีความนายมีความนายคือนิพพานแล้วก็เกิดความคลายกำหนัดมีความคลายกำหนัดแล้วก็ปล่อยวางได้ถ้าไม่มีโมเมนต์ที่ว่าเออฉันเข้าใจละถ้าไม่มีโมเมนต์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ปล่อยวาง เพราะนั้นลักษณะการปล่อยวางมันต้องประกอบด้วยกับพริมิหารสีด้วยนะทุกฟังเอ้ามันมาด้วยกันยางไงนั่ก็จึงเป็นเรื่องของคู่ที่5ถัดมาอุเบกขาไงอุเบกขากับแบบว่าเฉยเมยไม่มีความรู้สึกอะไรไม่สนใจไม่แยแสมนต่างกันคือท่านผู้ฟังจะเริ่มเห็นลักษณะของไปยิมแล้วนะนะ ปริมนี้ก็คือมันเป็นทึกทึกเดียวกันนะเราไร้เมื่อแต่ฉันทะในฝั่งที่เป็นกุศลธรรมในทั้งว่งนะฉันทะความเพียรเมตตาปล่อยวางอุเบกขาเออมันพวกพวกเดียวกันนะฟังฟังดูแล้วเนี่ยเออเมตาก็พวกเดียวกันกับอุเบกขาปล่อยวางนี่ก็มาในสายอุเบกขาเหมือนกันพรหมิหารฉันทะเมตตาเออก็มาสายเมตามันก็อยู่ในพรหมิหาร ในขณที่ถ้าฝ่ายอกุศล น, นะก็จะตันหาความรักเชิงชู้สาวความโลภความขี้เกียจแล้วก็ในคู่ที่5ฝั่งนี้ก็คือความเฉยเมยไม่แสดงความรู้สึกเหมือนไม่มีความรู้สึกอะไรเลยลักษณะของมันเนี่ยมันจะเห็นด้วยว่ามันจะกระโดดไปกระโดดมาประกอบด้วยความเศร้าหมอง ความกำลังความเพลินหรือความไม่รู้อันใดหนึ่งอยู่ความแตกต่างกันระว่างระหว่างกับความเฉยเมยไม่แยแสฉันไม่แคร์มันก็ลักษณะคล้ายๆกับความขี้เกียจไม่แคร์ไม่แยแสนเนี่ยคือจะออกประชดประชันด้วยแบบไม่ใส่ใจไม่สนใจเป็นลนักษณะที่ทอดทิ้ง การทอดทิ้ง ก, กับการวางอุเบกามันคนละอย่างกันเลยทอดทิ้งเฉยเมยไม่แยแสนั่นคือไม่รู้ไงไม่สนใจไงไม่สนใจไม่รู้ไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจบริทโดรวมต้องหมดอวิชชาเลยไม่เข้าใจว่านี่มีผลยังไงเลยไม่แยแสไปเลยแบบทอดทิ้งไปแต่ในขณะที่คนที่จะวางอุเบกาได้นั้นฟังจิตมันต้องมีเมตตามาด้วยแล้วเลย ต้องมีความเห็นอกเห็นใจก็ด้วยคือกรุณามาด้วยเลยเพราะเป็นธรรมะหมวดเดียวกันคือพรมิหานเป็นธรรมะหมวดที่ว่าเป็นที่คุ้มครองรักษาบุคคลที่จะเป็นใหญ่ขึ้นมาได้จะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองก็มีพรมิหานสี่ต้องมาด้วยกันเราจะอุเบกขาได้มันต้องผ่านสุขผ่านทุกมาแล้วคุณเห็นสุขมาแล้วคุณเห็นทุกมาแล้ว คุณเข้าใจทุกขกัมสุขแล้ว อ, อุเบกขาเกิดขึ้นได้คนจะมามีอุเบกขาในสมาธิได้คุณก็ต้องมีปีติมีสุขเหล่านี้มาก่อนหายปีติหายสุขเห็นความเข้าใจตรงนี้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงสิ่งเหล่านั้นเป็นของหยาบเอาวางเสียอุเบกขาได้ก็ต้องวางไงปล่อยวางสิ่งที่ให้เรา เกิดความเพลินความหลงความไม่เข้าใจไปปล่อยวางได้ก็ต้องประกอบด้วยปัญญาไงเพามันก็ต้มีส่วนประกอบของปัญญาเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยในปรมิหารสีแน่นอนในขณะที่นะความเฉือยเมยความไม่แยแสเนี่ยมันเป็นโมหะไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วลักษณะของการมีปรมิหารสีในข้ออุเบขาในตำฝัง เป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าท่านทำท่านมีอุเบกขาในขณะที่ถ้าเป็นเฉยเมยไม่แยแสไม่แคร์ความรู้สึกใครอันนั้นคือเป็นโมหะคือไม่รู้คนอื่นว่าเขาเป็นยังไงไม่แคร์เขาเลยแต่อุเบกขาที่คุณต้องรู้แล้วมุมมองแตกต่างกันด้วยอุเบกขาที่คือจากภายในในขณะที่ความไม่แยแส ไม่รู้สึกอะไรเนี่ยมาจากภายนอกตรงไหนตรงที่ว่าอุเบกขาคือเบรคจิตของเราไม่ให้เข้าไปตกอยู่ในอกุสุลธรรมเบรคจิตของตอนนะเบรคจิตแทนที่ว่าแบบจะโกรธไม่พอใจเขา้าอากเบกขาเบกาจากจิตภายในของเราความโกรธเกิดขึ้นภายในจะไม่ให้โกรธเกิดขึ้นอุเบกขาซะความโลภความเพลินเกิดขึ้นภายในจะไม่ให้โลบจะไม่หลงไป ไม่ให้เป็นในทางชู้สาอุเบกขาซะเกิดจะไปในเน้นมาในภายในใช่ไหมแต่ความไม่แยแสไม่แคร์เน้นจากสิ่งหนอกจะไม่แค่สิ่งนั้นแต่ฉันก็ไม่แค่สิ่งนี้แต่ฉันเปลืองกับสิ่งนี้นี่มันเน้นสิ่งภายหนอกคนละอย่างกันความไม่แครไม่แยแสก็จึงเป็นลักษณะของอกุศลธรรมไม่ดีไม่ควรทำแล้วก็ขาดสติด้วยหรือถ้ามีสติก็เป็นมิจฉาสติด้วย มิจฉา mark นี่ก็จะอยู่ฟังที่เป็นตันหาเป็นความโลภเป็นความรักเชิงชู้สาวเป็นความขี้เกียจไปมิจฉา mark เช่นทำอะไรด้วยตันหาการลงมือทำนั้นก็ประกอบความเพียรด้วยมิจฉาวายามะจิตจะจดจ่อในเรื่องที่จะทำชั่วได้ท่านผู้ฟังมันก็ต้องเป็นสมาธิใช่ไหมล่ะแต่เป็นสมาธิชนิดที่เป็นมิจฉาสมาธิไง มีจามาก็ทำได้อยู่อีกฝั่งหนึ่งลงไปคนละทางละไปทางที่จุสู่ทางต่ำแต่สมมัมมามากก็คือสัมมาทิฏฐิคุณจะลงมือทำอะไรด้วยความเมตตาเงี้ยการลงมือทำนั้นก็เป็นสัมมาวายามะคุณเข้าใจสิ่งต่างๆด้วยปัญญาอัไ น, น, นก็เป็นสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็อปล่อยวางปล่อยวางแบบทำจิตให้เฉยๆซะ โดยความเข้าใจนี้อะไรก็เป็นผู้ใบขาเป็นการปล่อยวางที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจผู้ทัดมาดั่หวังบางคนนี่ใช้ความดีในการอ้างที่จะทำความชั่วเอาหน้าขอทำความชั่วในนามของความดีสักหน่อยนึงเออฟังทุกแปลกแปลกนะยังไงนะคือคู่นี้เลยแต่ตรงตรงจริงใจ พูดแบบขวานผาซากแข็งกระด้างไม่มีมารยาทเอาฉันพูดตรงๆนะฉันคนจริงใจนะฉันก็พูดขวานผาซากอย่างเนี้แหละเนี่มันเลยสับสนกันนิดนึงไงสับสนตรงที่ว่าเราอกุศลมาปนกันกับกุศลมันก็จึงทําให้เกิดความไม่ก้าวหน้าแบบไปบ้างถอยบ้างถอยบ้างไปบ้างเดินหน้าถอยหลังมันก็ไม่ก้าวหน้าไงมันก็จมอยู่กับที่ ยังไงเพราะว่าถ้าเราอาศัยความสันติความสงบมาเป็นข้ออ้างในการทําสงกรามอะทําสงกรามว่าเนี่ยตรงนี้มันไม่สงบนะเราต้องการให้เกิดความสงบขึ้นเราก็ต้องทําสงครามกําจัดไอ้พวกนี้ซะก่อนคือมันฟังดูแปลกๆนะท่านผังแต่มันคุ้นๆอยู่เหมือนกันนะเออตัวอย่างที่เห็นได้ในครัวเรือนเลยท่านผังระหว่างสามีภรรยาคนคู่กันอย่างเงี้ เอาฝ่ายหญิงไปตัดผมทรงใหม่ตัดเสื้อใหม่มามากลับถึงบ้านแล้วถามฝ่ายชายว่านี่เธอเป็นไงฉันไปตัดผมมาฉันไปตัดเสื้อมาเป็นยังไงบ้างฝ่ายชายนีย่ไม่รู้เรื่องเลยถึงฟังเห็นฝ่ายหญิงให้ทรงผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะพอดีผู้หญิงเขาไปตัดผมเนี่ยดูไม่ออกเลยสัมาัเขาไปตัดผมมาแ ล, แล้วเขาไปตัดผมมาแล้วนะ ผู้ชายบางทีดูไม่ออกอะ่ะแล้วก็ถ้าจะพูดไปตรงๆว่าตอนนี้แต่ละไม่เห็นเรื่องเลยเขาก็จะหนอยละเขาก็จะแบบทำไมเธอมันดูจักสังเกตจนบ้างเลยตรงนี้ก็หายไปตรงนี้ก็แหวงไปไม่รู้เรื่องเลยอนี่เออบางทีมก็ไม่รู้เรื่องใช่ป่ะคอยพูดตรงๆกอาแล้วเสื้อผ้าเป็นยังไงเนี่ยโยถ่เออเถอะดูเหมือนกับข้าต้มมัด หรือถ้าเธอไปตัดสีขาวมาโอ้มันก็ดูเหมือนกับเจ้าตัวยางมิชลินเลยนี่ว่าเธอคิดอยู่นี้ในใจใช่ไหมแล้วก็พูดออกไปนี่โดยอ้างว่าฉันพูดตรงๆนะการพูดออกไปแบบชนิตี้ทำร้ายจิตใจเขาน่ะทุกฟังการพูดออกไปแบบเนี้ก็เป็นมิจฉาวาชานะเป็นมิจฉาวาจาทั้งนั้นที่ว่าก็อยากจะพูดตรงๆไงนะ มันก็เลยกลายเป็นขวานผ่าซากพูดไม่มีมารยาทไม่ถน้ำน้ำใจเขากายฟังดูเป็นคนแข็งกระด้างเอาแล้วถ้าเคสแบบนี้ทำยังไงฝ่ายชายควรจะพูดลักษณะไหนที่ว่าเออก็ไม่โกหกในตนเองแล้วก็แสดงถึงความตรงตรงความจริงใจในขณะเดียวกันก็ไม่แข็งกระด้างเป็นคำพูดที่มีมารยา เราต้องดูตัวอย่างหนึ่งที่เป็นนิทานชาดกที่กัเจ้าเล่าให้ฟังในช่วงของนิทานบรรณาทุกวันศุกร์นี่นะมีตัวอย่างหนึ่งที่คนเลี้ยงมา้าเขาามาอาชัยไปกินน้ำไปอาบน้ำที่ท่าน้ำแต่พรากฏว่าท่าน้ำนั้นน่มีพวกม้ากระจอกมาอาบมากกินมาปัสสวะอุจจะระอยู่ตรงที่ท่าน้ำนั้น ม้าชั้นในเนี่ยไม่อยากลงเลยแบบฉันลงไม่ได้ฉันพวกนี้มันเป็นม้าชั้นต่ำฉันจะไปลงครุกีกับไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่ลงคือไม่ได้กินน้าไม่ได้อาบน้าเนี่ยหลายวันแล้วไงเอาตั้งแต่ที่วันก่อนนี้ยังลงอาบลงดื่มลงกินอยู่กบันคนก่อนมันไม่มีม้ากระจอบพวกนี้มาลงไงพวกม้ากระจอบนี่มาจากไหนก็มาจากพวกพ่อค้าม้าเขา นำมา้ามาขายจากต่างเมืองก็ก็มาอาศัยท่านานี้อยู่สี่ห้าวันในช่วงนั้นสี่หวันนี้มา้าอาชายนี่ไม่ได้ลงกินน้ำเลยนะพอไม่ได้ลงกินน้ำนี่คนเลี้ยงม้านี่รู้สึกว่าแย่ละม้าเราไม่ได้กินน้ำเลยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้บริษัทเนี่ยรู้เหตุการณ์ข้อนี้ก็จึงบอกว่าเอาโอก็ดูคนเราเนี่ยบางทีกินอาหาร อย่างเดียวบางคนต่อให้ชอบกินข้าวผัดอ่ะแต่ถ้ากินข้าวผัดมันทั้งสัปดาห์เลยทุกมื้อเนี่ยโอ้มันก็เบื่อได้นะก็หายห่อื่นกินบ้างยกนี้ขึ้นเป็นอุปมาเพื่อเปรียบ ก, ก, กันกับอุปมาว่าแม้ม้าเองแต่ลงท่าเดียวเดิมเนี่ยมันก็เบื่อบ้างก็เลยไปลงท่าอื่นบ้างโค้ชใจบอกข้อนี้เป้าอะไรทัมงปวงคื จ, งจริงๆที่ม้ามันไม่ลงในประว่า มันรู้สึกว่าชาติของม้ากระจอบพวกนั้นหนึ่งมันตำ่ำตัวเองเป็นม้าอาชนัยไม่อยากไปคุ้คลีกับมันถ้าพูดไปอย่างนี้นะทุกฝั่งคนเลี้ยงม้าเนี่ยเป็นคนได้มีชาติต่ำไงมีกําเนิดตำ่ำถ้าจะมาแบบปเปรียบเทียบกับพวกขุนนางพวกเจ้าเฮ้ยถ้าพูดไปตรงๆแบบนี้เขาก็จะน้อยใจเขาก็จะเคืองใจได้ ก็จึงพูดอ้อมอ้อมไงแตนน่ในในใจเนี่ยรู้ทั้งรู้เลยนะว่ามาตัวนี้มันไม่หลงเพราะไม่เกี่ยวกวับเรื่องชาติกาเนิดถ้าพูดเรื่องชาติกาเนิดไปมันก็จะไปกระเทือนจิตของคนเลี้ยงมา้าเอาพูดเรื่องนี้ดีกว่าพูดเรื่องที่เหมือนอาหารการกินเออคนนี้ก็จะเข้าใจได้คําถามอีกสินี้คือว่าเอาเรื่องนี้เป็นการโกหกไหมอ่ะพูดเลี่ยงแบบนี้เหมือนโกหกนะเออถ้าสมมติเราคิดอย่างนี้ แต่เราดังพูดไปอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่อย่างที่เราคิดเช่นในจิตใ จ, ใจถ้าเรายังมีมิจฉาสังกะปะอยู่เนี่ยนะแล้วเราเกิดพูดมิจฉาวาจาไปด้วยนะนี่คือทั้งใจและทั้งวาจาเนี่ยผิดไปหมดเลยถูกป่ะทั้งสองอย่างเลยแต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยจิตใจเราคิดไม่ดีเขาเนี่ยมันยังห้ามไม่ได้ยังมีทุจริตทางใจอยู่ยังมีมิจฉาสังกะปะอยู่ แต่อย่างน้อยวาจาพูดกันดีๆก็แล้วกันน ะ, ะนะยังเป็นสัมมาวาจาพูดไม่กระทบกระทั่งไม่กระเทือนกันยังน้อยวาจาอย่งพอคุมได้มันยังดีนะเอาแต่าถ้าวาจานั้นทำไมพูดไม่ตรงที่คิดแลวไม่เป็นมิจฉาวาจาละ่ะไม่ตรงที่คิดเจาะลงไปดูฝั่งอะไรโกหกเปล่าโกคืออะไรโกคือเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็น คิดบอกไม่คิดไม่คิดบอกคิดได้ยินบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินบอกว่าได้ยินอย่างงี้ยการที่แบาพูดไม่ตรงกับโลกตนใช้คำนี้เลยความหมายโลกนี่คืออะไรโลกคือตาหูจมูก ล, ลิ้นกายและใจงไงถ้าเราพูดไม่ตรงกับโลกคือพูดไม่ตรงกับที่เห็นพูดไม่ตรงกับที่ได้ยินถือว่าปิดนะเช่นถ้าเขาถามมา คุณเกลียดริ่งนี้ไหมเนี่ยแล้วถ้าเราไม่พอใจเราเกลียดสิ่งนี้อยู่แล้วเราบอกไม่เกลียดเลยชอบอันนี้คือโกหกไงแต่ลักษณะที่พริษัทพูดนี่มันไม่ได้เป็นเรื่องโกหกว่าหมาตัวนี้มันไม่ได้ไม่คิดเรื่องชาติหรอกมันไม่สนใจเรื่องนั้นเลยอาจจะบ่นอย่างเงี้ยโกหกเลยนะแต่บริษัทนี่ก็พูดเรื่องที่เป็นเรื่องอื่นไปเลยไงือเรื่องอาหารแทนเรื่องที่ความที่มันจะ ไม่พอใจในการลงท่านี้ซึ่งมันก็ไม่พอใจจริงๆอะ่ะเห็นเห็นอยู่มันจะพอใจในท่าอื่นๆนอกจากท่าน้ําอื่นๆมันไม่มีสัตว์อื่นที่เป็นชาติตามด้วยเงื่อนไขนี้มันก็ลงได้ไงแต่ลักษณะการพูดลิงเลี่ยงไปเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นการพูดโกหกไม่เป็นมิจฉาวาจาไม่เป็นมิจฉาวาจาลักษณะที่เป็นคําพูดโกหก ไปเป็นมิจฉาวาจาในลักษณะที่จะกระเทือนจิตใจเขานั้นเรื่องของวาจาเนี่ยมันจึงมีรายละเอียดที่นอกจากแค่โกหกอย่างเดียวมันไม่พอมันยังมีการพูดถนอมน้ําใจพูดทํร้ายจิตใจคู่นี้มาประกอบด้วยก็ยา้เป็นคนขวานผาชาเกินไปนฟังยายเป็นคนแข็งกระด้างไม่มีมารยาทแต่เรีย่พูดโกหกแต่พูดให้รู้จักถนอมน้ําใจกัน พูดให้มีความจริงใจไม่น่าอย่างหลังอย่างแต่พูดให้เกิดความเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันมันถึงจะดีแต่ถ้่พอพูดถึงการเห็นอกเห็นใจแล้วมันก็ต้องมาเป ร, เรียบเทียบกับความเศร้าความเสียใจความไม่พอใจสิ่งนั้นด้วยถ้าสมมติเราเห็นอกเห็นใจใครนี่คือคู่ที่เจ็ดลำดฟังคู่ที่เจที่พูดถึงความเห็นอกเห็นใจ เป็นลักษณะของกรุณาถ้าหนอกเห็นใจกันแบบว่าในความที่เขาสาเร็จก็เป็นลักษณะของมุทิตาในที่นี้จะเจาะเอาเรื่องของกรุณาเพราะว่าถ้าคู่เปรียบเทียบนั่นคือความเสียใจความเศร้าใจความเสียใจความเศร้าใ จ, า ใ, จในส่วนที่เป็นอกุศลเนี่เป็นลักษณะของความเศร้าหมองทาให้จิตใจนี่มันหดหู่ทาให้จิตใจนี่มันแบบไม่ ฟูขึ้นไม่ร่าเริงขึ้นเศร้าเสียใจก็ไม่ร่าเริงหดหู่เศร้าหมองในขณะที่เห็นอกเห็นใจแในเป็นลักษณะของกูรุศรธรรมเป็นความกรุณาเป็นส่วนของโรมิหารเป็นการเห็นตามความเป็นจริงว่าโอเคสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นนาเรามีความกรุณาต่อตัวเองเช่นถ้าเราเจอเรื่องเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะเช่นคนรักตายไป เงินทองที่เก็บมาหายไปถ้าเราจะเสียใจเศร้าหมองจะเป็นลักษณะที่ว่าจะให้เกิดการที่ทำอะไรไม่ได้เลยนะจะเราให้ครําครวนทุบบกชกตัวหุนงงคลั่งเพิ่ไปเลยแบบไม่ดีเลยเป็นอกุศลละธรรมเลยแต่ถ้าราะว่าเรายังพอที่จะรวบรวมตัวเองได้เออทำงานได้แบบว่า move on ได้ก็คือประกอบเลย ความรู้ความเข้าใจเป็นปัญญาไงมีความรู้ความเข้าใจเป็นปัญญามันก็เกิดขึ้นจากลักษณะที่มีโกโรุณา น, นั่นเองไม่ได้จะถ้าคนอื่นก็ททำเรามองไปภายนอกเราก็จะไม่ได้เคียดแค้นหรือไม่พอใจหรือถ้าคนอื่งก็สําเร็จเราก็จะไม่ได้อิจฉาริษยามองกลับเข้ามาตัวเองถ้าเป็นความเคียดแค้นไม่พอใจก็ทำให้เกิดความ เศร้าใจเสียใจโศกใจใช่ไหมมองกลับเข้ามาตัวเองเราก็จะมีความกุณาอยู่ในจิตใจได้หรือถ้าเขาสําเร็จแล้วทําไมเราไม่สําเร็จเราก็จะไม่ได้มีความหดหู่ไม่ได้มีความเสียใจแต่จะมีความมุทิตาอยู่ในจิตใจแทนเพราะฉะนั้นพอเราดูเปรียบเทียบนะน้ำฟังในส่วนของ อกุสนธรรมเนี่ยมันจะแบบโอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังอีลุงตรงนางตรงกันข้ามไปหมดเลยแต่จุดหลักๆคือทําให้จิตใจนั้นเศร้าหมองในขณะที่ฝ่ายที่เป็นกุศลจะประกอบด้วยปรุงวิหารจะประกอบด้วยความเพียรเป็นฝากฝ่ายที่เป็นกุสนธรรมมีส่วนประกอบของวิชาคือความรู้มีส่วนประกอบความอริยมรรคมีองค์แปด มีไตรสิกขาทำให้จิตใจนั้นแจมใสไม่เศร้าหมองจิตใจผุดผ่องมีความร่าเริงขึ้นมาได้อันนี้เป็นคู่เปรียบเทียบที่ข้าพเจ้ายกหมายทุกฟังในช่วงของใต้ร่มพุิธบที่ว่ามันจะมีความละเอียดมีความรัดคุมในคำศัพท์ต่างๆซึ่งคู่ที่ยกมานี้เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ทันทีทุกฟัง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำในการปฏิบัติของเราในช่วงใต้ร่มพธิบทนั้นจะมาพบกับธรมุฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีหถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมะรับรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาภัยบู์อาภิปุณโณ สมานฟังสามารถติ่ตามรับฟังได้ในระบบพอ팟แคสต์หรือที่แบบใส่ข่ายข้าพเจ้าพระมหพยาบูลพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุนันทร์ปอ